น้ำหนักกมันคุณระลึกถึงมันมันจึงสําคัญขึ้นมาพระเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ทํานผู้ฟังบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่เราตริตรึกหรืถ้าบุคคลเนี่ยตริตรึกในเรื่องใดๆมากจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเหมื่อถ้าเราคิดถึงระลึกถึงตริตรึกดําริในเรื่องใดๆแสดงว่าจิตคุณเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนั้นแล้วถ้าเผื่อว่าเรื่องนั้นมันไม่ใช่เรื่องสําคัญเป็นเรื่องแบบกระจอกงอกง่อๆ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 จิตใจของเราตริตรึกเรื่องใดจิตใจของเรานึกถึงอะไรอยู่ลองตอบตัวเองดูนะใกล้กลวนพิจรารณาให้เห็นจิตของตัวเองว่าจิตของเราณนะขณะนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรโอยถ้านึกไม่ออกนี่แสดงว่าหลงลืมสติมากละเลอะมากอาจจะปุ๊บปั๊บรูปรั บ, บ, บอะไรตื่นสายแล้วเป็นวัดแนบวับไปหนีโอ้นั้นต้องตั้งสติใหม่ต้องตั้งสติใหม่อหมเอาวันต่อไปวันก่อนเป็นยังไง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 จะรับไม่ได้รับไม่ได้หมายความว่ารับมาปุ๊บมันจะแตกนั่จก็้อาจะแตก แ, แต่แตกมันก็จะเริ่มด่าว่าน่ะมีผลออกมาทางวาจาล่ะน่ะมีผลออกมาทางกายละ่ะกายก็จะเริ่มทําไม่ดแีแต่ใจมันแต ก, กปุ๊บมันจะกงังวลกันแต่มันจะอยู่ไม่เป็นสุขมันก็จะเครียดครัดมันก็จะคลียดครัดน่ะมีความไม่สบายใจมีความกังวลใจมีความทุกข์ใจว่าไป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 ให้ตั้งสติเอไว้ก่อนก่อนที่จะตื่นด้วยซ้ําก็ต้องตั้งสติอาไว้ก่อนแล้วก่อนที่จะตื่นเนี่ยก็คือหมายถึงก่อนที่จะนอนนั่นแหละก่อนที่จะนอนนี่คุณให้ตั้งสติอาไว้ก่อนนะว่าให้เรามีสติอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรามีสติอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกสักระยะหนึ่ง่อยู่ในท่านอนก็ได้อยู่ในท่านั่งก็ได้แต่เราก็นอนไปนอนไปด้วยการน้อมจิตไป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 พรเาตรัสเอาไวา้นัานบอกว่าอาณาปานสติเนี่ยที่เมื่อเราเจริญให้มากกระทำมให้มากแล้วนันก็จะเป็นไปเพื่อการละเสียซึ่งวิตกนั่นละเสียซึ่งความฟุง้งซ่านแห่งจิตนั่นละเสียซึ่งความคิดไปในเรื่องราวต่างๆเพรา ะ, ะนั้นถ้าจิตของเราเนี่ยมีฐานที่ตั้งนั่นมีที่ให้ระลึกถึงอยู่มีบ้านอยู่นัมาระลึกถึงลงมหาใจนี้นั้นมันก็ไม่ไปเที่ยวเกาะเกี่ยวในความคิดในอารมณ์ต่างๆ พอเป็นอย่างนี้แล้วเราก็น้อมจิตไปเพื่อที่จะนอนนะโดยตั้งใจว่าอย่าให้ความคิดในทางที่เป็นบาปอกุศลทั้งหลายเนี่ยมาคลุ้มรุมจิตของเราผู้นอนอยู่นะการนอนในลักษณะนั้นนะก็จะเป็นการนอนที่ เ, เป็นสุขแน่ละ่นะและอย่างหนึ่งที่จะเพิ่มขึ้นไปได้ในการก่อนที่คุณจะนอนด้วยซ้ำนใะ่การที่คุณจะนอนเนี่ยในขณะนะที่เรามีสติอยู่ยนั้นนะให้เจริญเมตตาเปนะ่านะนะให้ตั้งจิตไว้ในความที่จะ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 แต่บางคนที่มีการเจริญเมตตาภาวนาอยู่เป็นประจำเนี่ยจะสามารถที่จะหลับได้เป็นสุขเนะี่ยตอนหลับเนี่ยตอนช่วงที่คุณกําลังจะนอนเนี่ยก็จะมีความสุขนะก่อนที่คุณจะนอนไปก็มีความสุขแตนะ่ระหว่างนอนไปก็ไม่ฝันร้ายเนะี่ยเพราะไม่มีความคิดในทางบาปอกุศลมาเยือนไม่พลิกไปพลิกมาไม่ลุกรี้ลุกรนแลนะไม่ฝันคิดเรื่องบ้าบาบาบเนะไม่สะดุ้งตื่นกลางคันบางคนทําได้ดีทําได้ชํานาญ นอ น, นอนรวดเดียวเลยไม่ต้องลุกไปเข้าของน้าเดยซ้ำนั่นเพราะว่าความที่ตัวเองนั้นมีจิตที่มีกําลังนั่นมีความชำนาญละนอ น, นอนรวดเดียวการผักผ่อนมันก็ได้เต็มที่แต่เวลาตื่นเราก็ไม่สะดุ้งตื่นในเวลาตื่นก็เป็นสุขแต่เวลาลุกขึ้นมาแล้วในตอนที่จะตื่นนั้นก็มีสติอยู่ใ น, นการหลับแบบเนี้ชื่อว่าเป็นการหลับอย่างมีสติเป็นการหลับแบบตื่นอยู่ใ น, นการหลับแบบตื่นอยู่เนี่ย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 เรื่องที่เราลุกขึ้นตื่นขึ้นเราพิจนารณาเห็นเราลึกถึงเรื่องอะไรเราต้องเห็นตรงนี้ให้ได้เราต้องระลึกเรื่องนี้ให้ได้ถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ไดีคุณต้องแก้ไขเราไปแก้ไขตอนไหนแก้ไขตั้งแต่ก่อนนอนนุน่นถ้าไดก่อนนอนเราต้องทําสมาธิชนิดหนึ่งอันนี้เป็นรูปแบบนิดหนึง่งแต่ถ้าเราทําสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบไม่ได้ให้คุณตังต้งสติเอาไว้ก่อนเรืนตั้งสติรู้ลมหายใจให้ได้แวางความคิดนึกเรื่องราวอารมณ์ต่างๆได้ได้ให้หมด น, นอนจิตไปเพื่อการนอนให้หนอนจิตไปเพื่อการนอนในลักษณะที่ว่าไม่ให้บาปอกุศลทั้งหลายเนี่ยมันมาครอบงำกลุ่มรุมจิตของเราอยู่แต่ว่าให้จิตของเรานั้นเป็นจำมวนเดียวแล้วก็นอนไปในตอนที่จะนอนนั้นก็เจะเลยเม่ตาบาวนาด้วยในการที่มองสรรพสัตว์ทั้งหลายในการที่มองสิ่งทั้งหลายในด้วยจิตใจของคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่โดยเฉต่างคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่การนอนของเรานั้นก็จะมีประสิทธิภาพละ่ะในเรื่องของทางชีววิทยา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 นนการนอนของเรานั้นจะมีประสิทธิภาพตอนที่คุณจะตื่นตอนที่คุณจะลุกนะคือบางคนเนี่ย เ, เพิ่งเริ่มฝึกนนรู้สึกตัวปุ๊บอา้าวลุกขึ้นทันทีโอ้มันเพิ่งเที่ยงคืนเองนอนไปตอนสี่ทุม่มนอนไปสองชั่วโมงก็รู้สึกตัวลุกขึ้นแต่ขอให้ทำํำเพราะว่าอย่างน้อยเราลุกขึ้นมารู้สึกตัวปุ๊บยังไม่ต้องดูนาฬิกาเลยนัลุกขึ้นก่อนเพราะการลุกขึ้นการนั่งขึ้นเนี่ยมันเป็นนิสัย แต่ที่เมื่อเรารู้สึกตัวปุ๊บเราจะตั้งขึ้นทันทีจิตเราเระลึกได้ปุ๊บจิตเราจะกลับมาฐานที่ตั้งทันทีในะทางกายกับทางจิตเนี่ยมันเนื่องกันเนื่องเพราะว่ากายของเรามันก็มีจิตอยู่จิตของเรามันก็อยู่ในกายนี้แต่นะถ้าในกายของเราเนี่ยเราฝึกให้มีการที่จะลุกขึ้นนะการนั่งขึ้นเนี่ยหลังจากที่เรารู้สึกตัวขึ้นจากการนอนเนี่ยมันจะเป็นนิสัยที่จะให้จิตเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่เนะพราะนั้นไม่ว่าจะกี่โมงก็ตาม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 ให้จิตนั้นมามีสติอยู่ลหมหายใจในช่วงตั้งแต่ก่อนนอนกำลังจะหลับหลับไปแล้วหลับอยู่กำลังจะรู้สึกตัวรู้สึกเติร์กุนแล้วลืมตาแล้วลุกขึ้นแล้วในช่วงกระบวนการตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่มีสติมีสติแล้วมันก็สบายกัสิมีสติแล้วการหลับในตรงช่วงนั้นจะสั้นก็นตามจะยาวก็ตามน่มันจะมีประสิทธิภาพนั่นมันจะมีความที่เรียกว่า ใจิตใจนั้นได้รับพักผ่อนอย่างเต็มที่หลัจิตใจได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ร่างกายมันก็ได้พักผ่อนเหมือนกันเรื่ า, าการนอนะตรงนั้นจะเป็นกี่ชั่วโมงก็ตามแต่บางคนเนี่ยในช่วงที่หลับเนี่ยสั้นมากด้วยซ้ํำตั้งแต่ก่อนนอนใช่ไหมที่พูดไปช่วงจวังหวะมันจะเป็นอย่างนี้นะท่านฟังตั้งแต่ก่อนนอนจนกระทั่งเอ็นกายนอนไปแล้วเอ็นกายนอนไปแล้วยังไม่หลับเอ็นกายนอนไปแล้วหลับตาลงแล้วแต่ยังไม่หลับ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 อาจจะไปเดินจงกรมนั่งสมาธิกระทาไปนี่คือของงานของประสงค์อาจจะเป็นคารวะญาติโยมลุกขึ้นลหลังจากทําสมาธิสักเล็กน้อยแล้วก็ไปเตรียมการไปทํางานทํากับข้าวหุงหาอาหารอะไรก็ว่าไปแ ต, แต่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดๆเนี่ยเราสามารถที่จะทรงสติตรงนี้ไว้ให้ได้ตลอดไว้ให้ได้ตลอดเพราะว่าสติเนี่ยมันอยู่กับจิตหนึ่งจิตมีที่ตั้งที่ระลึกถึงเมื่อไรสติมันมาทันที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 เรื่งตั้งแต่เราตื่นนอนมาปุ๊บเราคิดเรื่องดีๆในที่นี้ก็คือความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยการพยาบัติเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะเรามีสติอยู่เรามีสติอยู่ตั้งแต่ก่อนตื่นด้วยช้ำตั้งแต่นอนอยู่ด้วยช้ำแล้วแต่ก่อนนอนด้วยซ้ำเรามีสติตั้งแต่ก่อนนอนนอนอยู่ก่อนลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วมีสติอยู่ตลอดอย่างนี้เนี่ยมันก็น้อมไปในทางกุศลตัวนึงนต่จิตเราก็สช้ตรตรึกในทางกุศลน้นอมไปในทางกุศลเราทรงจิตตรงนี้ไว้ให้ได้ตลอด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 ใช้สตินี่แหละตั้งขึ้นใช้สติปฐานสีเนี่ยตั้งขึ้นปฐานนี่คือฐานที่ตั้งในมงจมวังแล่สติคือการระลึกได้แต่เราให้มีฐานที่ตั้งของจิตของเราตั้งขึ้นอย่างดีในจิต ท, ที่ตั้งไว้ดีแล้วใช้อะไรตั้งใช้กายก็ได้แต่ใชลใ้ลมหายใจก็ได้เราจะระลึกถึ ง, งพระเจาก็ได้เราจะระลึกถึงคุณงามความดีนึถึงสิ่งของเราในได้ทั้งนั้นใช้สิ่งเหล่านี้เป็นฐานที่ตั้งคือตั้งไว้อย่างดีแล้วมันก็จะเป็นวันที่ที่ดีแน่ล่ะ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 แต่แต่ตอนลุกขึ้นมีสติเอาไว้ตั้งแต่ก่อนก่อนตื่นมีสติเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่ก่อนนอนเอนกายนอนแต่แต่ตอนที่นอนอยู่ยังไม่หลับมีสติเอาไว้ในขณะที่นอนอยู่มีสติเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่จะหลับนั่เราฝึกไว้ช่วงนี้แต่เพราะว่าช่วงเวลาที่เรานอนอจริงๆมันเป็นช่วงเวลาของเราเองจริงๆเราเริ่มก่อนนั้นนั้นก็ได้ท่านผู้ฟังเราเริ่มตั้งแต่ตอนนี้แต่ระหว่างวันเราฝึกในการที่จะให้มีสติอย่างต่อเนื่องฝึกไปตอนเย็นเราก็ พยมที่จะฝึกสติเอาไว้ก่อนนอนอาบน้ําเรียบร้อยแล้วจะนอนเออตอนนั้นเราก็มาฝึกสติได้มันจะช่วยกันเป็นลําดับลําดับไปตามฝั่งในะวินาทีนี้จิตใจของเราตั้งไว้ดีมันจะช่วยวินาทีต่อไปในะขณะจิตนี้จิตใจของเราตั้งไว้ดีมันจะช่วยขณะ จ, จิตต่อไปในะขณะจิตต่อไปดีหรืออาจจะไม่ดีก็ตามน่ะแต่พยายามที่จะฝึกพยายามที่จะทําแล้วมันก็จะช่วยขณะ จ, จิตต่อไปนาะทีนี้ดีแล้วนาะทีต่อไปก็ดี